ต่อไปนี้ทางภรภิกษุกรก็ให้ผมมาทาหน้าที่ในการพูดธรรมะแง่ของการปฏิบัติในตอนช่วงเย็นในวันนี้การพูดธรรมะก็คือพูดเรื่องของเราทุกคนนี่แหละใครจะพูดอาจารย์ไหนหรือท่านไหนพูด ก็พูดเรื่องเก่าคือเรื่องของคนเรื่องศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นเรื่องของเราทุกคนแท้ๆเป็นเรื่องของคีวิตเป็นเรื่องของกิจเป็นเรื่องของใจพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจที่มันมีทุกข์แล้วก็เกิดจากการแก้ทุกข์ให้หายไป ดนันการที่เราปฏิบัติทำเนี่ยธรรมะการเจริญสติมันต้องมีหลักหลักของกรรมฐานก็คือสติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามจะเป็นพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอแม้แต่ว่าการเจริญสติของพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันก็คือ คือต้องการหลักคือต้องการสติให้มีสติให้มีความรู้สึกจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราพลาดจากจุดนี้แล้วกรรมฐานจะไม่สมบูรณ์กรรมฐานของเราจะไม่สมบูรณ์แม่แต่เราว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้ชัดเจนดีแล้วสูงแล้วรู้ทุกอย่างแล้ว แต่ว่ายังแพ้อารมณ์อยู่คาว่าแพ้อารมณ์อยู่นั่นแหละคือไม่สมบูรณ์ดังนั้นการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแก่อายุจะบวชนานหรือปฏิบัติมานานก็แล้วปฏบตปฏิบัติมาน้อยก็ตามขอให้ได้หลักขอจะหลักให้ได้ซึ่งก่อนเนี่ยผมเองเคยทำพุทโธมาเนี่ยนะ แต่ไม่แต่ไม่ได้ดําหนินะแต่พูดตามตามความเคยเคยทําประสบการณ์มาก็นึกว่าตัวเองนี่ทําได้จนสามารถว่านั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคืนหนึ่งก็นั่งได้ทําได้ไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่มีปวดไม่มีเก็บก็นึกว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีแล้วแต่พอมากระทบเนี่ย มันยังมันยังมีอยู่ความโกรธก็มีอยู่อะไรมีอยู่หมดดังนั้นกรรมฐานเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เพราะว่าเราขาดขาดอย่างหนึ่งขาดหลักนะขาดหลักดังนั้นหลักของกรรมฐานนั้นตามผู้ลู่ท่านกล่าวก็บอกว่ามีสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ดังนั้นคำว่าสมถกรรมฐานนั่นตามความเข้าใจของผมเองนะตามผมเคยประสบการณ์มานี้มันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะอย่างที่หนึ่งเนี่ยผมเคยทํายุบหนอพพองหนอนเลยพุโทโธมาเนี่ยลักษณะเราเอาสเอาสมาธิกดจิตเราบริกรรมเช่นว่าพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจเนี่ยอานาปาเนี่ยเราเอาสมาธิกดไว้ เมื่อเราเอาสมาธิกดจิตหลายข้างหัดไปหัดมาหัดมาหัดมาเนี่ยจิตมันก็หยุดจิตของเราเนี่ยสามารถหัดได้พอจิตหยุดพับเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิอย่างเต็มเต็มจนมันนิ่งนี่จนมันนิ่งจนมันจิตละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยจิตจะตกผวงัง ตัวเาวางจะมิดเลยไม่มีความรู้สึกอะไรดังที่อาจารย์มหาท่างกล่าวว่าตัวแข็งอ่ะนั่นแหละทําได้อย่างนั่นแหละถ้าเข้านั้นแหละจะอยู่นานเขานายก็ได้นี่ขณะที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยกิเลสเข้าไม่ได้จริงๆกิเลสเข้าไม่ได้นี่แต่ความความเย็นนะนี่แต่ความสุขในอารมณ์ แต่พอเราออกจากสมาธิมากระทบพับนี่มันไม่ทันจุดนี้เองทําให้ผมสงสัยหลังเลเะเราก็ปฏิบัติมาพอสมควรเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้นี่ทําไมถึงมีอะไรอย่างไม่ไม่เปลี่ยนแปลงโกรธก็โกรธเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมจับผิดชี้ไม่ดีก็เหมือนเดิมยิง่งเพิ่มทิฏฐิอีกขึ้นไปอีกเพิ่มทิฏฐิอย่างไร เราขนาดเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านแต่แท้ครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเราเป็นนักกรรมฐานแล้วซึ่งก่อนผมเนี่ยจะบวชใหม่ๆหรือปฏิบัติใหม่ๆปียี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยจะถือธูดองวัดถือผ้าสามพืนเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าบ้านวัดบ้านไม่เข้าหรอกนะลองท่ายไม่ใสาลองท่าไม่ใส่ ถ้าขาดขาดดำๆคือมันคือมันขึมน้มันอะไรทุกอย่างถ้าเข้าไปวัดเนี่ยจะมองเห็นโอ้ครูบาอาจารย์บวชมาทำไมไม่ทำหน้าที่ของพระศุษศาสนาสวยๆจินจินฉันฉันขนาดที่เราปฏิบัติทำจิตได้ถึงขนาดนั้นยังมีอคติอยู่นะครับยังมีอคติอยู่ก็แสดงว่าสติของสมาธิของเราหรือ ก, กรรมฐานของเราไม่สมบูรณ์นี่ครับ มันไม่สมบูรณ์ผมดูแลเอ้เรานี่ยังไงทำให้เป็นอย่างนี้ถึงว่ามันไม่ออกปากตาไปเห็นเพื่อนหลวงพ่อหลวงพี่คุณบาอาจารย์เนี่ยมันจะนวิจารณ์ทันทีว่าองค์นั่นไม่ดีองค์นี่ไม่ดีบวชสิตสารพัดอย่างนี่ยครับมันมันยังสงสัยลังเลอยู่นี่มันยังวิตกวิจารณ์อยู่ ดังนั้นกรรมฐานเนี่ยนะสมถะกรรมฐานอย่างผมกล่าวเนี่ยขณะถ้าเราเอาสามารถที่กดจิตเนี่ยที่มันจะเป็นลักษณะนั้นสําหรับผมนะครับแล้วต่อไปนั่นอีกมันจะเป็นมันจะมันมันจะเกิดปฏิหารใช่ไหมที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจะหัดเอาวันสองวันเดือนสองเดือนเป็นนะครับต้องฝึกมานานเนี่ยพุทโธเนี่ยหรือยุบเนอพองเนอเนี่ยมันก็ต้องผ่านในมิพรานอะไรหลายๆอย่างมานะ ทีนี้พอทําเราทํำร ก, กิจได้ดีๆนี่เพ่งก็ได้ซึ่งก่อนนี้ผมจะไปอยู่อําเภอปักธงชัยวัดปอแดงนะ่ะเออที่วันนี้ก็ได้คุยกับพระว่าท่านบอกว่ามาจากวัดเสาเดียวซึ่งก่อนวัดเสาเดียวยังไม่มีวัดเลยผมผมไปปีผมไปนะอยู่บนหลังเขาอะ่ะไม่ฝึกอยู่ท่านนี่ตอนนั้นหลวงพ่อมหาธนิษ์ส่งไปไปหาท่านทีนี้พอพอเรา เรานั่งสมาธิตอนตอนจัดสว่างเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยกาลังทำดีนะเยิบยี้เนี่ยดังสมาธิเพ่งกิดพวกในชาติจะไปบินเทา บ, บาทใครจะใส่บาทก่อนยิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่เอาอะไรใส่มีพลิกไหมมีหน่อไม้อะไรต่างๆอาหารก็เหมือนบ้านเรานี่ยแหละไปบินเทา บ, บาทจริงเลยถูกต้องเพีย้ยนี่ ื่อเป็นอย่างนี้เราสำคัญขึ้นมาทันทีว่าเราเป็นผู้บันรุ้ธรรมนะครับดังนั้นนักปฏิบัตินักกรรมาฐานเนี่ยผมว่าหลงเยอะเลยหลงมากผมเองก็หลงตั้งตั้งนานนะครับตั้งนานด้ผมเนี่ยไม่ใช่หลงเล่นๆ่ต่ผมก็หลงนานเหมือนกันนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แม่แต่ว่าจะพูดอะไรๆต่างๆนานาเนี่ยมัน มันเป็นเป็นปาฏิหาริย์ไปหมดตอนนั้นผมพูดเรียกไม่ได้เลยพูดเป็นตัวเลขไม่ได้หลวงพ่อมหาธิท่านบอกว่าระวังนะท่านระวังมันจะเกิดศัทธานะท่านบอกเลยไอ้ท่านบอกว่าเกิดศัทธาเราก็ไม่เข้าใจเอ๊ะมันศัทธาอะไรนาะไม่เข้าใจนะครับแต่พอมาถึงจุดนี้จะรู้ทันทีว่าคนจะมาหาเราแล้วที่เนี่ยเนี่ย เขาจะมาหาเราแล้วทุกอย่างเขาจะมาหาแล้วอันนี้เองทําให้เราหลงนะครับนี่นี่เรียกว่าสมาธากรมาฐานสมาธากะมาฐานคือเราหัดเอาสมาธิกดกิจคือบังคับจิตไว้หัดให้มันหยุดมันนิง่งขณะที่มันนิ่งเราเพ่งเทกิจขณะที่มันนิ่งมันละเอียดเดียวเราเพ่งเพ่งนิมิตนะ น, น, นี่ประสบการณ์เป็นอย่างนี้ดังนั้นผมเนี่ยก็พอถือว่าโชคดีเพราะปียี่สิบหกเนี่ยก็มีพัะครูองค์หนึ่งท่านชวนมาหาหลวงพ่อเทียนหลวงพเทียนอยู่ที่ป่าสกโตนี่แหละตั้งแต่รุ่นแรกกับป่าสกโตยังเป็นดงหนาอยู่ผมมามาเนี่ยผมไม่เอาดอกผมเห็นยกมือเนี่ยผมหัวเลยละ่ะผมหัวเราเอ้ยไม่ใช่นักปฏิบัติเห็นท่านเดินโยมกลมเนี่ยผมไม่เอาเลยไม่ทำเป็นเด็ดขาด ไม่เหมือนเราเราเท่คือนั่งสมาธิหลับตานิ่งเฉยเดินนิ่งกลมก็ช้าชามันคือสังคมเขายอมรับมายกมือแบ บ, แบบไม่รับไม่เอานี่มันต่อต้านมันขัดขวางผมที่ถีมากแท้ๆนะไม่ใช่ญาติโยมญาติโยมอย่างดีเนี่ยบอกทำก็ทําเนี่ยบอกปฏิบัติก็ปฏิบัติพระขุนเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันผมไม่ทํารอกอยู่สามคืนผมพายบาตรกลับบ้านเลยนี่ ไปปาสุโกโตนะครับรุ่นนั่นยิ่งโอ้พระเถระผู้ใหญ่เยอะนะไม่เอามันเอาไม่ได้ครับมันรับไม่ได้มันไม่ถูกตามตําราเลยเนี่ยวินัยก็ไม่มีอะไรต่างๆนะยิ่งไปเขนข้าวเนี่ยนะเราไม่ได้เรียนนักธรรมอ่ะเราไม่เข้าใจการประเขนคืออะไรบ้างอ่ะองค์ประเคนมีกี่อย่างเราไม่จบอ่ะเห็นโอ้ยกประเคนต้องยกไม่เอารอดได้ จับโต๊จับอะไรเฉันเอ้ยแมเวนี่เอาวินัยมาจับทันทีว่าเอออฉันอาหารไม่มถ้ไปแค่เนี่ยกืนลงไปต้องอบัตทุกคํากืนอะไรต่างๆนะมันวิจารณอะไรมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนี่พอผมได้เข้าไปเนี่ยไม่รับกลับบ้านสามคืนกลับบ้านแต่ว่าอุปนิสัยของผมก็ถือว่าบา ร, รมียังมีอยู่ผมก็ติดใจ หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนท่านกล่าวธรรมะเช้าเย็นเนี่ยเรื่องสติปัฏฐานสี่กายานุปทานเวธนาจิตตาธรรมาท่านบอกว่าให้เราดูเอาสติมาดูกายก่อนให้เข้าใจรูปนามก่อนเอ๊มันติดใจแต่มันรับไม่ได้การกระทารับไม่ได้แต่ติดใจอยู่ค้องใจอยู่เชื่ออยู่เอ๊เรานี่ครูบาอาจารย์สอนมามาก ไม่มีองค์ใดสอนบอกว่าให้ดูให้ให้รูรูปนามแล้วก็ให้มาดูกายดูใจไม่มีใครบอกมีแต่บอกดูล้มหายใจดูอะไรบทกำหนดรูอะไรบทเคลื่อนไวหวกาหนดหนามีแต่มีแต่สอนอย่างนี้แล้วก็สอนให้ทำความสงบให้จิตนิ่งแล้วก็เพ่งกิตเนี่ยพอพอได้ฟังทำท่านอย่างนั้นมาถึงบ้านมันคิดคิด เชื่อในใจอยู่ทีนี้ก็คิดได้ว่าต่อมาท่านก็ไปไปเปิดอบรมที่วัดโมกขจันทร์ผมก็ไปเลยไปตัดสินใจเลยพอเลิกแล้วเปิดอบรมอย่างพวกเรานี่แหละพอเลิกแล้วผมอยู่เลยอยู่วัดโมกเลยอยู่วัดโมกก็พิสูจนเลยแหละพิสูจน์ทำลองดูเอ้าต้องทําลองดูนี่ถ้าเราว่าเราเก่งน่ยครูาอาจารย์ก็หลายหลายหลายท่านพวกปัญญาชนก็มีท่านทำํทำไมทําได้แต่จะมีอะไรดีๆสักอย่างหนึ่ง ท่านก็ท่าทายเลยหลวงพ่อเทียนท่านท่าทายซึ่งก่อนนะถ้าไม่เข้าใจเอาคอเป็นประกันเนี่ยคําท่าทายของท่านเนี่ยวุ่นแน่นอนได้แล้วงพ่เทียน่ะเอ้าใครเงินเดือนพันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งไม่เข้าใจจะยกให้หมดแค่ท่านท่าทายท่านท่าทายเราก็พิสูจน์ผมเองก็ไปทําเลยเนี่ะแต่ไปอยู่ในป่าวัดโมกป่ามันนาเนี่ยอยู่ในป่าเพราะอะไรยกมือเนี่ยกลัวคนเห็น มันไม่กล้าทําแต่เดินยมกลมเนี่ยพอได้อยู่นะยกมือขึ้นเห็นคนมาหยุดเลยแ่ะบางทีพระทาั้งเข้าไปดูเนี่ยหยุดหยุดทำมันเกลื ม, กมันเขินมันอายนะที่นี่ทําเนี่ยผมทํานี่ไม่ใช่ทําเล่นๆผมอธิษฐานเลยว่าตาบได้ที่ทํากรรมฐานอยู่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่นอนจะไม่นอนกลางวันเด็ดขาดกลางวันนี้ผมไม่นอนไม่พูดไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องนอนนะ่ะ ผมจะกินน้อยนอนน้อยตอนตอนทำเทแรกเนี่ยบุกเบิกมากละ่ะทุ่มเทมากเดินจมกรมจนทางเนี่ยเป็นเป็นล่องละ่ะเดินวัดโมกนะนี่ทั้งหลงน่ะทั้งหลงทั้งสารพัดอย่างทั้งเบื่อทั้งเสงสารพัดอย่างเด้แต่อาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาอาศัยสัจจะผมอธิษฐานเลยละ่ะเออ ตายกัตายว่าเลยละ่ะนอนนสามทุ่มนอนตื่นตีสามเป็นประจำนะทําอยู่อย่างงั้นแหละปรากฏว่าทำสี่สิบสามวันผมจําได้ชัดเจนะ่ะทําอยู่สีิบสามวันวันที่สี่บสามประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยผมได้คําตอบออกมาโอ้ยนี่ผมได้คําตอบอย่างมาอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเนี่ย เพราะท่านบอกว่าให้รู้รวนาก่อนผมเปิดออกมาเลยเออนี่เป็นรูปนี่เป็นนามข้างก่อนที่จะเข้าใจเนี่ยนี่หลวงพ่อคําเฉียนท่านไปไปสอบท่านไปเยี่ยมมันอาจจะท่านท่านเดินไปสอบอารมณ์หรือไปโดนไปหานี่แหละท่านก็ถามขณะผมเดินนำกลมอยู่ท่านก็ถามว่าเป็นยังไงหลวงพอ่อเอ๊ะอาจารย์ผมเดินอยู่เนี่ยผมรู้ว่าขาผมเดินเนี่ยเหมือนเหมือนข้างหนึ่งเกือบสิบ ก, กิโลข้างนี้ก็ผมเห็นชัดเจนมาก ผมเห็นชัดเจนมากเลยเห็นตัวงผมเดินท่านบอกว่าเอาละหลวงพอ่อปัญญาพุทธะจะเย่มเกิดคือท่านให้กําลังใจอ่ะพอท่านพูดอย่างง่ายเราเราเหมือนมนกําลังหนุนขึ้นไปอีกกําลังหนึ่งเนี่แหละใจเราดีขึ้นมาเลกเลยภูมิใจเลยเพราะท่านให้เท่านั้นแต่ภูมิใจทําความเพียร น, นี่พอถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาเนี่ยมันมันได้คําตอบพอได้คําตอบนหายสงสัยโยม หายสงสัยพิสูจน์ได้จริงๆริงึ้นก่อนบาปบุญนี่อ่เป็นยังไงรู้จักเลยละ่ะนะทํายังไงเป็นบาปทำไงเป็นบุญบุญแท้ๆทำอย่างไร เ, เ, ไรเสียเงินไม่เสียเงินบัตรแม่แต่บาปเดียวก็เป็นบุญนี่บุญคือความสบายใจคือความไม่โกรธไม่เกลียดนี่บุญแท้ๆโยมไอ้ที่พวกยยมทํำนี่ก็บุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนี่แต่บุญอย่างนี้นะ่ะเราทําตลอดวันตลอดคืนเลย ที่ไหนมีสติที่ไหนเป็นบุญที่นั่นมีสติเนี่ยนรู้สึกตัวที่ไหนเป็นบุญที่นั้นนี่นี่มันเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่แต่เข้าใจอย่างนี้หละไม่ใช่ว่าได้เป็นอะไรนั่นและไม่ใช่ไปเป็นว่าเป็นพระโสดาผีคารไม่ใช่เป็นพระทาเป็นห ล, ลวงพ่อหลวงตาธรรมดาอย่างเราเนี่แหละแต่มีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผมเองได้ประทานออกมาเลยว่า จากนี่จากวันนี้ไปหาวันตายเนี่ยจะไม่ออกกายกับใจอันนี้ไปทำมาค่าขายเด็ดขาดได้อย่างนั้นแน่นอนสมาทานอย่างนั้ น, นสัจจะอย่างนั้นเลยไม่เอาไม่เอาไปทำเด็ดขาดจะทำอย่างนี้นี่จะทำหน้าที่อย่างนี้นีโยมมันมั่นใจมันภูมิใจมันโอ้นึกว่าเรา ไ, รได้ชีวิตใหม่ ผมก็เลยว่าเออลุ่งชีวิตของผมแท้ๆก็คืออยู่ที่วัดโมกนี่จะคิดชีวิตใหม่นะครับมันเปลี่ยนมาจริงๆไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากโง่เป็นฉลาดเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นรู้นี่ด้านั้นการปฏิบัติทําการเจริญนสติของพวกเรานั้นผมอยากจะพูดอ่าให้นักปฏิบัติได้จับต้นชัด ผมจะพูดจากหยาบไปหาละเอียดนะผมจะพูดจากต่ำไปหาสูงให้พระคุณเจ้าสังเกตเอาดีๆนะครับการเจริญนาติของพวกเรานั้นเราอย่าไปทำข้ามขั้นถ้าเราไปทำข้ามขั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาคำว่าข้ามขั้นน่คืออย่างไรนะ คำข้ามขั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยแล้วว่าสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่กายานุปทสนาเวทนาดุาฎิตตาธรรมานุปทสนากายานุปทสนาสติปัฏฐานเนี่ยให้เราอสติมาดูกายให้ชัดเจนก่อนให้เรามาหัดดูกายจนชัดเจนซะก่อนจนได้คําตอบจากรูปนามซะก่อนอย่าไปจําเอาถ้าเราจําเอาเนี่ยจะมีปัญหานะ ปัญหาใ น, นี้ยอารมณ์แน่นอนนะครับการที่เรามาสร้างกายานุปัสนาสร้างอย่างไรก็ให้อยู่กับสติอยู่กับกายเนี้ยอย่าไปอยู่กับอย่างอื่นหัดเดินจมกลมลองดูให้สติหัดเดินการเดินจมกลมเนี้ยไม่ใช่ว่าจะให้เดินจมกลมเฉยเฉยได้โยมหัดเดินให้มันเป็นนิสัยให้มันติดในการเดินไปไหนให้หมันเดินเดินเดินจมกลมไปหมด เดินไปอะไรนะเดินกนะ้าวไหนก็ตามให้มีสติให้มีสตินั่นนะ่ะคือเดินจมกลมแม้วร ญ, ญาติโยมจะเดินไปไรไปสวนก็ตามกําหนดลู่ที่ไหนเป็นเดินจมกลมที่นั่นให้เราหัดให้เราหัดจนเป็นก่อนนี่ให้เริ่มต้นจากนี้แล้วอย่าไปอยากลู่มากกว่านี้ดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะหลวงพ่อมาจากถ้ามาไฟหรือมาจากไหนผมเข้าไปถามหลวงพ่อเป็นยังไงดีดียังไง ผมก็ย่อไปย่อมาผมก็พูดไปพูดมาไปไปมาผมแย่โอ้ยพึ่งเปิดออกว่านี่หลายฟีดเนว่าดังนั้นเราหากายไปเราหาเลยไปอย่าไปหาเลยอย่าไปคิดเอาจับความรู้สึกให้ชัดเจนสัก่อนเนี่ยคอยคำไปจับสติอยู่กับกายนะี้ก่อนคำไปหาไปหาไปอย่าไปลืมตัวนี้นะอย่าไปลืมตัวนี้นแล้วทีนี้คําว่าสติอยู่กับกายเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมากเหมือนกันนะ แต่ครูอาจารย์ไม่พูดเรื่องอุปสรรคให้ ญ, ญาติยมฟังหรอกเนีนะอุปสรรคคืออะไรหนึ่งความง่วงนอนมาก่อนเพื่อนสองความสงสัยหลังเลสามการปวดหัวเบื่อเซ็งทุกอย่างย่อมมันจะมานะไม่ใช่ว่าจะได้รูปนามจะได้มาหยิบเอามาเฉยเฉยเหมือนเราไปซื้อของตลาดเนีอันตรายขั้นต้นคือคือ ค, อความง่วงนอนนะ บางองค์พอเดินเนี่ยกลจะปวดหัวผมไปคุยกับภาพหลายรูปหลายองค์ปวดหัวก็มีบางองค์ว่างนอนก็มีแนะ่ดังนั้นองค์ไหนที่หรือท่านไหนก็ตามนะถ้าเดินเนี่ยกลมปวดหัวเนี่ยยังไม่ไ ด, ยไได้ยังไม่ได้รูปนามดอกยังไม่ได้จับสติยังไม่ได้ดอกเพราะเดินไม่จะปวดหัวทันทีมันจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเรากําหนดไม่ให้มันเราบังคับให้มันคิดหนึ่งสอง เราไปจ้องดูความคิดหนึ่งอันนี้จะมีปฏิกิริยาทางปวดหัวเพราะปวดหัวแล้วมันจะไม่เอาได้ที่เนี่ยเดินจมกลมก็ไม่อยากทําละที่เกียดเดินเท่านั้นมันปวดที่นั่นมันเบื่อแต่ครูบาอาจารย์พูดทําไมมาเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้บัดเราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไปอย่างนั้นดังนั้นคนที่ผู้ที่เดินเดินจมกลมโดยทําความเพียนไม่ปวดหัวถ้าท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเดินใส่เลย พอมันพอมันปวดหัวเนี่ยพอมันง่วงเนี่ยท่านเดินใส่เลยตั้งน้าเดินแรงๆหรือยกมือแรงๆใส่เลยนะยิ่งดีเหมือน เ, เหมือนเราต่อยมวยเนี่ยถ้าเราอุย้ยสู้กับได้ไหมน้อยอยยัางไางนนี่แพ้เขาแท้แท้เรากึ่งตาเออมึงกับคนกลัวคน่ะขึ้นไปใส่เลยอันนี้ก็เหมือนกันโยมเดินใส่เลยสําหรับผู้ไม่ปวดหัวนะเดินใส่เลยลเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็หายมันไม่ใช่ปวดหัวธรรมดาโยมมันเป็นอารมณ์เนี มันเป็นอารมณ์นะนี่แต่ทีนี้ผู้ที่ปวดหัวอย่าไปเดินใส่ผู้ที่ปวดหัวอย่าไปเดินํากลมใส่มันหาวิธีออกมันหาวิธีหลบนะวิธีหลบทําอย่างไรมีอุบายอยู่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่ปวดหัวเดินนํากลมเนี่ยปวดหัวเนี่ยนะ ถ้าหง่วงนอนมาหรือปวดหัวมาเนี่ยพยายามพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ใหม่สมมุติว่าเราอยู่ข้างทุ่งนาอย่างนั้นอย่างทางตะวันทิศเหนือเนี่ยนะให้ออกไปออกไปจากป่าไปซะถ้ามันปวดหัวขึ้นมาหรือหากว่ามันง่วงขึ้นมาเนี่ยเราโยนความคิดไปดูต้นไม้ไกลๆ น, นู่นนะดูต้นไม้ไกลๆเอาเอาความรู้สึกไปอยู่โน่นให้หมดความรู้สึกใจเราดูดีๆทําใจเบาๆเดินเล่นดูนานๆ เรื่นตาได้ดูนานๆดูไปดูมาดูไปดูมาแล ก, กลับมาดูตัวเองมายกมือสร้างกแงะดูสร้างแงะไปสร้างแงะแล้วก็ไปดูอีกโยนไปโยนมาโยนไปโยมคือเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองละ่ะนะเดี๋ยวก็หายหายง่วงบ้างหายปวดหัวบ้างแล้วก็ทําไปไปทําความเพียรต่อนี่นี่สําหรับผู้ผู้ผู้มีอาการปวดหัวอืนี่แล้วผู้ง่วงนอนก็เหมือนกันต้องทําอย่างนี้ ต้องพยายามเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนพยายามหาอุบายนั่นดังนั้นการปวดหัวก็ดีการที่ง่วงนอนก็ดีโยมถ้าเรามาคุยกันลองดูที่หายทันทีเลยแหละมันไม่ใช่ปวดหัวธรรมดานียโยมมันไม่ใช่ง่วงนอนธรรมดามันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ดังนั้นอารมณ์เนี่ย เราจะต้องเข้าใจนักปฏิบัติยังไม่รู้จักดอกหลวงพ่อว่าอารมณ์เนี่ยไม่เข้าใจดอกอารมณ์คืออะไรอ่ะให้เราไปเห็นซะก่อนนะให้ไปเห็นซะก่อนให้เข้าใจซะก่อนนี่ดังนั้นถ้าผู้ที่มั่นใจจริงๆเนี่ยเดินใส่เลยไม่มีปัญหาไปถามได้เลยเราพาอยู่วัดที่หลวงพ่ออยู่เนะี่ยนี่ก็มา้ดยุงหนึ่งอยู่นี่เนะี่ยสององององอ ง, องสองนั่นอะ่ะ ององค์อยู่นานแล้วซึ่งก่อนปวดหัวเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวนี้มันหายไปจนจนไม่รู้จักว่ามันหายแต่ใช้เวลานานได้โยมองคหนึ่งเนี่ยไม่ปวดหัวองหนึ่งท่านเดินใส่เลยเนี่ยหลายองค์ดังนั้นผู้ที่จะบอกอารมณ์กับผู้นักปฏิบัติต้องรูจ้จักต้องรู้จักกลไกของของนักปฏิบัติถ้าผู้ที่มีอารมณ์ปวดหัวอะไรบังคับให้เขาเดินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปใหญ่เลยนะ หลงก็ได้นี่นี่คือโทษของอคืออันตรายของมันอันตรายขงการปฏิบัติแล้วทีนี้อันตรายอีกซึ่งต่อไปอีกนะหากว่าเราผ่านความง่วงได้แล้วเนี่ยนะเราผ่านความง่วงได้แล้วเราเข้าใจ อ, อารมณ์รูปนามแล้วเราจับรูปนามได้ชัดเจนแล้วเนี่ยถึงยังไม่เข้าใจรูปนามมันก็เริ่มเลยไดย้พอเราผ่านความง่วงพับ มันจะเกิดปัญญามาช่นนิดหนึ่งนะจะเริ่มเทศเป็นแล้วทีเนี่ยทเยทศคนเดียวนะ เ, เดินํากลมมันจะเทศไปกลับมาอยู่นั่นแหละเพลินความเหนื่อยความง่วงความนี้แล้วยมทีนี้หแล้วไม่มีแล้วความขยันมาแทนแล้วทีเนี่ยเพลินแล้วตรงนี้ก็ระวังระวังมันจะหลงไปกับความรู้ตัวเองนะโยมนี่พระคุณจเจ้าก็เำลังกันระวังใลยดีนะครับไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงนะครับ มันเป็นปัญญาวิจตกวิจารณ์เฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ระวังจะหลงอย่าไปเชื่อมันถ้าไม่เชื่อมันทำอย่างไรกลับมาอยู่กับสติตามเคยกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวตามเคยกลับมาอยู่ตัวนี้อย่าลืมหลักตัวนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะอารมณ์ดีขนาดไหนก็แล้วแต่หรือจะทุกข์อะไรอย่าลืมส ต, ติอยู่กับกายให้จับตัวนี้ก่อนให้จับหลักนี้ใ ห, ให้ชัดเจนก่อนให้เอานี่ก่อนนี่ แต่ที่นีพ้พอผ่านนี่ไปอีกมันยิ่งมีความลุกมากขึ้นนะอยากเทศอยากสอนอะไรที่เนี่ยอยากตั้งสำนักหลวงพ่อสร้างสำนักตั้งสี่ห้าแห่งก่อมันเป็นอย่างนั้นเลยโยมมันเป็นแท้ไม่ใช่ไม่เป็นนะมันเป็นนี่พอถึงจุดนี้มัเอาอะไรที่นี่คิดเห็นหมู่เพื่อนอยู่ไหนโอ้อยากให้มาปฏิบัติพ่อแม่ตายไปแล้วอยากให้เห็นอยากให้มาสัมผัสเอาละโยมไว้ที่เนี่ยจุดนี่ จะเริ่มคิดเห็นคนนั่นคิดเห็นคนนี้เดี๋ยวก็น้ำตาพังเห้าออกมาละวันหายลดละวันะอ่ะลองพอคือเห็นพอเห็นแม่ท่านละคือแม่ทนน้นำตาไหลาจา้าคือเห็นพ่อน้ำตาไหลาจา้ามาเลยอนะ่ะเอาให้บระยุทธ์ดอกพอออกสอึดอึดอึกหลุดหายห้รดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนหมไม่ใช่ว่าทําไปสื่อๆนะซึ่งก่อนนี้ถามหลวงพ่อคำเขียนก็ได้นะหรือท่ า, านอาจารย์ในบนก็ได้ ซึ่งก่อนเนี่ยถ้าเราเปิดอารมณ์นักนักปฏิบัติหลายๆอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งจะมันแก้อารมณ์มากเดี๋ยวก็ไปร่องทางน้นเดี๋ยวก็ร่องทางนี้แหละนักปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มีคนได้อารมณ์เลยนะได้อารมณ์จะต้องน้าตาไหลร่องให้เลยแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไระนะถามท่านดูก็ได้เนี่ยเป็นอย่างงั้นนี่แต่ก่อนแนตะ่เดี๋ยวนี้เราเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันไม่ค่อยได้อารมณ์กันนี่ซึ่งก่อนนี้ ปฏิบัตินี่ต้องให้อยู่ใครอยู่มันได้ห่างกันไม่ให้อยู่ร่วมกันครูบาอาจารย์ก็หลายพระผู้ให้กรรมฐานก็มีตั้งแต่ผู้รู้ลูกผู้ปฏิบัติเชื่อมันก็ได้ง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้พวกเราอาจจะผู้ให้ก็ไม่สมบูรณ์ผู้รับก็ไม่สมบูรณ์อาจจะไม่เต็มลูกเต็มหน่วยก็ได้นะนี่เป็นอย่างนั้นนั่นดังนั้นที่อะเราปฏิบัติธรรมนี่ผมเองอยากสรุปลงมาว่า ถึงจะเป็นอย่างไรก็ตามเราอย่าไปกลัวต่ออารมณ์แล้วเราจะไปกลัวต่ออะไรทุกอย่างให้เรามีมีหลักดีๆอยู่กับสตินี่แหละสติอยู่กับกายนี่เองดังนั้นการที่เราจะเราจะพูดว่าเออสติดูกายเฉยๆมันจะมีปัญญาเกิดหรือต้องแบ่งไปไปดูความชิดสักครึ่งหนึ่งดูกายสักครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่เป็นคำพูดสำหรับผู้ที่ฝึกสติดีแล้วแล้วดังนั้นถ้าผู้ฝึก ถึงขั้นสูงต่อไปอีกแล้วเนี่ยระวังอีกอย่างหนึง่งอารมณ์ของเราลู้ไปรู่ไปเข้าใจไปเข้าใจไปเนี่ยระวังมันจะสุดนะคือระหว่างอารมณ์รูปนามกับอ ร, รม์ปรมัศหัวเียวหัวต่อนะครับคำว่าอารมณ์ปรมัตนเนี่ยคือเราจะลู่เรื่องของกิจภาษาลมระเรียนว่าเห็นความชิดแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันไปหมดว่าเห็นความชิด ตัดความคิดอย่างโอ้ยผมผมไม่อยากให้พูดเลยมันเป็นคําพูดที่สูงสุดแล้วครับถ้าเราเห็นความคิดแต่ของคิดเหรอโอ้ยมันสูงมากแล้วนะครับนั่นนี่ดังนั้นคนผููที่ติดอารมณ์เนี่ยนักกรรมฐานที่ทํามานานๆนะจะติดอารมณ์นี้มากพอทําไปทาไปมันจะขึ้นไปหาลมอารมณ์ปรามัตินี่คือมันจะเข้าใจเรื่องจิต จะดูกิจจะดูอารมณ์เป็นอนี่ยจะแบ่งมาดูอารมณ์เป็นเนี่ยตรงนี้เองแหละมันดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นเนี่ยมันเบื่อมันเซ็งมันโอ๊ยครูบาอาจารย์ก็เท่านั่นแหละนี่มันเบื่อมันเซ็งมันสารพัดอย่างแล้วอารมณ์จะจ ะ, จะเริ่มถอยถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้พระคุณเจ้าก็ดีนะผู้ปฏิบัติมามากๆขอให้เราเริ่มต้นใหม่เหมือนเราขับรถขึ้นโมรมรูปนามใหม่จับสติใหม่ จับสติให้ดีๆสะก่อนที่เนี่ยจับสตดิดีเร่งความเพียรเร่งควาไปไปมันจะไปเลยแล้วที่เนี่ยแล้วก็ให้พระคุณเจ้าหรื อ, ห ร, อหรือถ้าเป็นอารมณ์นี้ให้สังเกตอารมณ์ให้สังเกตอารมณ์ให้ดูจิตดูความชิดขณะที่ความความเบื่อเสงเกิดมาเราสาวหาเหตุมันเกิดมาจากไหนอะไรมันอะไรมันโกรธอะไรมันเกลีย อะไรมันเกลียดเนาะมันอะไรมันเกลียดมันเกิดจากไหนให้ให้พยายามดูหัดดูความคิดนะนี่สําหรับผู้เก่านะครับผู้ใหม่อย่าไปทําเดอ้อผู้ใหม่อยู่กับรูปอยู่กับกายอยู่สติอยู่กับกายเนี่ก่อนสําหรับผู้สูงแล้วนะเนี่ยให้เราดูอะไรเกิดขึ้นมาให้เราดูความไม่พอใจเกิดขึ้นมาให้ดูความรักก็ดีจะหรือจะเกิดอารมณ์คามเกิดขึ้นมาก็ให้ดูให้สาหาเหตุให้สาหาต้นเหตุมันมาจากไหน เกิดจากไหนเกิดจากกายหรือไม่ใช่นี่เกิดจากใจหรือไม่ใช่นี่มันมีแนวมาแต่งใจอีกอย่างหนึ่งนั่นดังนั้นคำว่าดับทุกข์ดับทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องไปดับที่ทุกข์ไม่ต้องไปดับทุกข์ดับเหตุของทุกข์ดับตัวตัณหาดับตัวอวิชชานี่แกตัวนี้ ทุกมันเป็นผลของตัณหาต่าหานะรู้ไพระเทียนหรือท่านพระรูท่านบอกว่าทุกให้กําหนดรู้เป็นตะลูกมันเอิญทุกเกิดแต่มันเกิดจากเรื่องสามหาเหตุมันนี่สาหาเหตุมันสาวไปตาเห็นรูปหัวทองเสียงจมูกได้กินเลี้ยมันจะมาจากอันนี้ทํามาลมที่เกิดมันจะมาจากอันนี้แล้วเราก็เข้ามาดูที่ไหนมาดูจิตนนี่ หัดดูใจแล้วเทเนี่ยดูอารมณ์เป็นแล้วดูตรงนี้ดูเหตุมันตรงนี้เราพอดูปัญหาไปโอ้เหตุมันก็อยู่เงามันอยู่นี่เด้ตัวเกเรตัวตันหามันก็ไม่เงาเด้เงาอยู่กับความหลงนี่เด้นี่สาวไปอีกอันนี้สิแก้มันได้ศีล ส, สมาธิปัญญาสติ โอ้อันนั้นก็เงาหนึ่งเด้อเงานะั้นเงาหนึ่งอันนี้เงานึงนี่อันได้เสหน้อกันอันได้จะเหนือกัน น, น, น, นี่ดังนั้นตัวสติเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เนี่ยตัวนี้เองคือตัววิชามันมีวิชากับวิชาคือตัวหลงท่านเองละ่ะกับตัวรู้ ด้า น, นการจเจริญสติของพวกเราเนี่ยยกมือแต่ละครั้งละครั้งสร้างตัวรูตัวนี้ขึ้นนี่ตัวรูตัวนี้สร้างขึ้นสร้างขึ้นจนกลายเป็นยานเป็นปัญญานี่มันจะไปแก้เองเห็นจะหาหาให้เอดเองนั่งหลวงพ่อเทียนท่านบอกนะ่ะพอคิดปับ๊บเห็นปับ๊บคิดปับ๊บเห็นมันเกิดไม่ได้ตัณหาก็เกิดจากกิจเนี่ยจากใจเราเนี่ยอาศัยกิจใจเราเกิดนี้ มันไม่ใช่อาศัยอย่างอื่นมันเกิดบนจุดนี้ความทุกข์ก็เกิดจากจุดนี้แต่ใจของเราจะแท้มันไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสเหมือนเหล็กเนี่ยสนิมไม่มีในเหล็กแต่มันอาศัยเหล็กเกิดกิเลสก็ไม่มีในใจแต่มันอาศัยใจเกิดยามเวลาเราหลงนี่โยมจุดนี้ลงเมื่อใดมันเกิดเมื่อนั้นนี่มีสติเมื่อใดมันแก่เมื่อนั้น ผู้ที่จเจริญสติเป็นผู้แก้ผู้ปดผู้ปล่อยถ้าผู้สติเต็มแล้วเป็นผู้ปิดไม่ให้มันเข้าเราเป็นปู่ตัทนอยู่เป็นแต่ผู้แก้ออกไปไม่ให้มันคล้องมากปดไปแก้ไปปดไปแก้ไปเรื่อยๆหัดแก้หัดปลดเป็นทางผ่านของอารมณ์นี่ความชิดขึ้นมาเป็นทางผ่านความดีก็ตามความชั่วก็ตามอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์มมทั่วก็ตามกาหนดรู้ ูให้มันผ่านตัวพรมอาจารย์คือทางผ่านของอารมณ์นี่ดังนั้นเราเป็นพรมอาจารย์คือจิตใจมันเป็นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วไม่ต้องห่วงพระคุณเจา้าโดยญาติโยมแก้ปัญหาเราได้แน่นอนนี่ดังหลวงพ่อเทียนท่านเอาคอประกัน น, ะนั่นท่านเป็นผู้เต็มแล้วปิดแล้วเรายังไม่ปิดก็พูจกแก้ก็ยังดี ดีกว่าไม่รู้จักเลยนี่ดังนั้นการเฉลิมสติเนี่ยคาพูดมันสั้นๆว่าเฉลิญสติทําความรู้สึกตัวแต่มันไม่ใช่เท่านั้นเลยนะโยมมันครบวงจรมันสูตรสําเร็จอยู่ที่สติอยู่กับกายมันสําเร็จหมดทุกอย่างถ้าเราจะขยายไปกว้างๆนะโยมนี่ถ้าเราจะขยายไปกว้างๆเนี่ยคำว่าสติอยู่กับกายพอสติเห็นกายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เห็นกายอย่างเดียวเนี้ พอเธอเห็นกายพับมันจะเห็นเวทนาเกิดจากกายเห็นทุกจากกายทันทีล่ะเนี่ยอย่างอาจารย์ในมลท่านกล่าวเมื่อคืนนี้ทุกของกายเนี่ยมันจะเห็นทันทีจรู้ทันทีแล้วทุกจากอะไรก็แล้วแต่เถอะหลวงพ่เทียนท่านพูดสั้นๆว่ารูปโลกนี่ความหิวความเหมื่อยความล่าความหนาวเป็นทุกข์เท่านั้นละนี่ความเจ็บความปวดทุกข์เท่านั้นมันบอกเราทันทีเลยโยมนี่ทุกนอกๆทุกในหัวนี้อีกความแก่ความเจ็บมันมันเห็นเลย สภาพของกายว่าเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ดัดแปลงแต่งกายมันไม่ได้ดอกนี่เราเห็นชัดเจนจะไม่พ้องไม่ติดกับการเก็บการปวดการหิวการละมันเป็นธรรมชาติเปลี่ยนไปหลาไปเป็นสักวระทัดนี่มันจะเห็นอย่างนี้โยมมันไม่ใชเห็นเท่านี้อีกต่อไปเราดูกายอย่างเดียวเนี่ยเรายกมืออย่างเดียวเนี่ยมันเข้าไปเห็นอสุภะอีกความไม่งามของกายก็เห็นอีกล่ะนี่ยมันไม่ใช่ไม่เห็นนะโยม ความไม่เที่ยงก็เห็นความเป็นอนัตตาทุกครั้งทุกครั้งนีจ้จะเห็นหมดไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้นะโยมไปเห็นนะจิตเนี่ยมันไปเห็นเห็นแล้วมันโยองขนพองสยองก้าวละไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้เราเห็นละงามหมดเห็นอะไรอยากได้หมดตาเราไม่ใช่ตาทิพนี่ตาเราสร้างขึ้นมาทีตาในขึ้นมาตาปัญญาขึ้นมาทิโยมเนี่ยมันเป็นไน้ไม่ใช่ไม่เป็นดอกเป็นนะผูดสูตรลองดูนี่ นี่ยสำหรับผมเองหรืออตาตมาเองก็พอจะทําถูกนี่ทำถูกแล้วเอามาพูดได้เพราะว่าเจ้าของทำมาเป็นอย่างนี้ที่พูดนี่พูดจากตัวตัวผมหรืออตาตมาเองได้คำคำ ล, ละทํามาเป็นอย่างนี้ซึ่งก่อนก็ร่มลุกคุกคานเหมือนกันนี่นี่ล่มลุกคุกคานเหมือกันพอมันพอเราเข้าใจพอดูกิจเป็นเถอะดูดูกิจ ด, ดูความคิดเป็นเถอะ มันจะเบาขึ้นมาเรื่อยเบาขึ้นมาเรื่อยการทำกรรมฐานนั้นไม่ใช่ว่าจะหนักอยู่อย่างนี้ยิงลูกเท่าไรยิงเข้าใจจะยิงเบายิงเบายิงโลง่งยิงไม่มีอะไรทําถามเราพ อ, พอทมเฉียนมั้ทนั่งยุ่ยซื้ อ, อคือประเพณีอย่างหนึง่งดีกว่าปากแก้วเดินเนี่ยกวงอกงอกอยู่บัดมือสิอ่ถ้าเป็นแล้วน่ยโยมมันไม่ได้ยากนั่งดูความชิดเฉยเนี่ยก็ได้นะ นั่งแต่โยมอย่าไปทํานะพระคุณเจ้าก็อย่าไปทําเนี่ยนั่งดูความคิดอย่าไปนังให้ดูความรู้สึกเนี่ยก่อนถ้าเราจับความรู้สึกถ้าจับสติได้เนี่ยก็ก็พอแล้วท่าโยมจับรูปนามได้เนี่ยสติอยู่กับกายไปไหนอยู่กับรูปกับนามอะไรเดินนก็รูปทําอะไรก็รูปทําอะไรก็รูปหมดเท่านี้ก็พอแล้วล่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทํามากเลยพูดสั้นๆคือดูกายดูใจเนี่ยเท่านี้มันมีที่ดูสองอย่างเท่านี้ความสงสัยหลังเละมันจะไปหมดแล้ว มันหมดมันไม่มีแล้วผลที่สุดวันทั้งวันก็อยู่กับลูกกับนามอยู่กับกายกับใจนี่แหละมิติรู้อยู่อยากกินน้ำลายก็รู้อยากกินข้าวก็รู้จะอะไรก็รู้เดินไปไหนรู้วันทั้งวันเป็นการ ป, ปฏิบัติธรรมไปตลอดวันยีบสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยโยมนี่เข้ามาลูกโซ่เข้าใจเพไม่ออกเข้ามาลูกโซ่ให้มิติต่อเนื่องนี่ฮัดให้มิติมีเท่านี้นกลไกของ พูดมาทั้งหมดธรรมาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สรุปแล้วก็ลงมาอยู่ที่สวดสติอยู่กับกายหัดให้สติกับกายเป็นหนึ่งเดียวกันกายอยู่ในให้ใจอยู่นั่นกายอหนให้ใจอยู่นั่นกายพูดอะไรก็ให้ใจพูดด้วยรู้ด้วยกายอาบน้ําให้อาบด้วยสงหน้าให้สงด้วยกินข้าวให้กินด้วยให้กายกับใจอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนี่นี่จุดที่เราจะเอาเอาจุดนี้เอาอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรอีกไม่ต้องเอาอะไรอีก เอาแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรอีกไม่ต้องทําอะไรอีกดังนั้นส่วนนั้นมันเป็นผลส่วนนั้นไม่เป็นผลเองเราตั้งอยู่จุดนี่แหละนะเราตั้งอยู่ข้อจิตกับกายเป็นสัมพันธ์กันเนี่ยกายานุปัฏนาติปฐานสมบูรณ์เนี่ยตัวเวทนานุปัฏนาเป็นผลจิตตานุปัสฏนาธรรมะเป็นผลถ้าตัวนี่ไม่ดีผลก็ไม่เกิดเงาของพระพุทธศาสนาคือสติสัมปชัญญะ น, นี่อยู่กับกายนี้ถ้าเงามันดีเนี่ยเอา ผลมันลูกมันหน่วยมันน่ะนะจะไปไหนนี่ถ้ามันมีเงาเนี่ยมจะเกิดได้หรือถ้าตัดต้นดูที่ต้นกล้วยนะหรือต้นะมะม่วงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องตายเลยละ่ะดังนั้นเรามาพอกปูนใส่ปุ๋ยรดน้ําอยู่ที่ต้นมันนี้คือมิตรติอยู่กับกายไปไหนให้มิตรติอยู่เรื่องอารมณ์อะไรมันจะลูกหมดทุกอย่างดังนั้นวันนี้แต่ตมาได้กล่าวมาหรือกับผมได้กล่าวมานั้นก็เห็นจะสมควรแก่วเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ อ, อยากข อ, อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระศาสดาสมณะธรรมพระเจ้าของเรานั้นจงถึงจิตถึงใจของอพวกเราทั้งหลายตลอดทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมแล้วให้นํำปฏิบัติผลกล่าวเกเลศให้ได้สัมผัสลดพัธรรมคือความรู้ยิ่งเห็นจริงของพวกเราด้วยกันทุกคนทุกท่านเนอิด